สัทธาเทวมนุษย์สางแปลว่าพระศาสดาของถวยเทพและมนุษย์ทั้งหลายและมีคำเสริมพระคุณว่าอนุตโรปุริสธรรมสารถิแปลว่าเป็นสารถทฝึกคนได้ไม่มีใครยิ่งกว่าพระนามเหล่านี้แสดงความหมายอยู่ในตัวว่าปราชญ์และพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเคารพ บ, บูชาและยกย่องเทิดทูนพระองค์ ในฐานะทรงเป็นนักการสอนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทรงมีพระปรีชาสามารถอย่างยอดเยี่ยมในการอบรมสั่งสอนและได้ทรงประสบความสาเร็จในงานนี้เป็นอย่างดีความยิ่งใหญ่และพระปรีชาาสามารถของพระพุทธเจ้าในด้านการสอนนั้นถ้าจะพูดให้เห็นด้วยอาศัยประจักษ์พยานภายนอกก็เป็นเรื่องไม่ยากเพราะเพียงพิจารณาเพื่อ น, นจากเหตุผลง่ายๆต่อไปนี้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 ในที่นี้จึงขอนำมาแสดงเพียงให้เห็นรูปลักษณะทั่วไปเท่านั้น